เ น, นมองในแง่ของจารณะเนี่ยนะสุขโตเนี่ยนะพระองค์ไปดีแล้วคือไม่ติดข้องในอย่างเขาบอกว่าที่อยู่เนี่ยปกติที่แต่ละแห่งที่เขาสร้างให้พระองค์อยู่นะมีแต่อย่างดีทั้งนั้นเลยแต่พระองค์เนี่ยจาริกปีหนึ่งเนี่ยบางอย่าแปดเดือนก็มีปีบางปีจาริกเจ็เดือนบางปีจาริกอยู่หเดือน คิดดูว่าต้องตรอนตะรอนเดินทางเนี่ยปีละหกเจ็ดแปดเดือนนี่นะทุกปีอย่างนี้45ปีจะขนาดไหนทั้งๆ ท, ท, ที่กุฏิอย่างดีนะกุฏิไม้จัน์อบกลิ่นหอมปัดใจสีเนี่ยบ า, บางหลายแห่งมากที่เขานิมนต์ว่านิมนต์อย่าไปฉันที่อื่นเธออยู่ที่นี่และพระองคก็บอกว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์คนทั่วไปเนี่ยนยะอย่าไปรับที่เดียวไม่ได้ น, นะนะพอก็ฉันโดยที่สุดอาหารของพระราชาจนที่สุดขนมคลุกกับ ใช้รำนะเอารำมามาปัาน้นปัน้นปัน้นแล้วไปปิ้งอ่ะนะฉันน่กัชนิดแบบนั้นจนถึงอาหารพราชาเนี่ยฉันหมดเหอนกันเถอะไม่ติดข้องในในปัจจัยสี่แต่พูดถึงทีแรกนะทีแรกที่ออกบวชนะผม อ, ออกบวชเนี่ยไปบินทบาตเมืองราชครึก ก, ก็ก็อุ้มบาดไปยนะ ชาวบ้านเขาก็อาหารเนี่ยใส่าบาทมาบอกพอเห็นอาหารเนี่ยนะไส้มันแทบทะลักออกมาวิ่งออกข้างนอกเลยนะมันตีนไม่ลง อ, งอ่ะคือคือมันว่าไม่เคยอาหารชนิดนี้เลยอ่ะคืออาหารที่เขาบกว่ามันเหมือนกับเป็นสมมุติมหาราชานะเสร็จแล้วมามากินอาหารแบบคนอินเดียนะที่มันเหมือนกับโอข้าวเหมือนกับแล้วมารวมรวมกันด้วยนะถ้าแยกกันก็ยังชั่วมารวมรวมกันอีกก็บอกว่าโอโ้โหลมไส้มันแทบวิ่งออกมาข้างนอกเลยเหมือนันมันแทบอาเจียนเลยนะเห็นอาหาร แต่แล้วพระองค์ก็ข่มข่มด้วยกรรมฐานหรือข่มด้วยการพิจารณานะพระองค์ก็ฉันได้อันนี้ตอนตอนที่แรกๆที่บวชออกมานะแต่ตอนหลังพระองค์ก็ปกติหมดแต่ว่าที่อาัศาจรรย์นะเช่นพระพระอรหันต์คือพระหมากัสปะเนี่ยนะเป็นอาหารที่คนโรคเรื้อนไส่บาทแล้วมือเนี่ยหลุดลงไปตรงนั้นหนะยิบมือออกแล้วฉันอาหารได้นี่ยแม่นั่นนี่ลึกซึ้งมาก <laughs> <laughs> แล้วพระธบานอีกองหนึ่งนะ พระัฐบาลนี่ฉันอาหารอะไรไหมอาหารขนมเขาเรียกว่าขนมขนมกลุ่มมาศแล้วบูดคือขนมที่ปกตินะคนไม่กินเขาจะให้โคกินนี้คนก็ไม่กินโคก็ไม่กินทิ้งอย่างเนียว่าท่านฉันนะฉันปกติก็บอกคนอื่นฉันเนี่ยน่าจะป่วยตายแต่ว่าท่านเป็นพระหันเนี่ยนะอธิฐานด้วยริดด้วยอะไรก็อยู่ได้แหละ <c oughs> มันก็เจริญพุทานุสติก็ได้เจริญธรร ม, มานุสติก็ได้ถ้าเจริญธรร ม, มานุสติเนี่ยว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติกับปัจจัย4ี่เหล่านี้อย่างไรและลึกถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะให้ปฏิบัติยังไงกับปัจจัย4ี่เหล่านั้นอันนั้นก็เป็นธรรมานุสติเนี่ยนะแล้วถ้าปฏิบัติตามทำทำแล้วนั้นมีผลอย่างไรต่อไปเนี่ยนะอันนั้นแหนะคือธรรมานุสติแล้วยกตัวอย่างว่าพระสงฆ์ของสาวกพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นต้นท่านปฏิบัติตัวยังไงกับปัจจัยสี่เนี่ยนะแล้วของเราเนี่ยเส้น จาคานุสติเราเคยให้สิ่งเหล่านี้อะไรแก่ใครบ้างที่ไหนก็มา ล, ลึกถึงเจตนาที่เคยให้หรือเทวานุสติเนี่ยนะบอกว่าเทวดาทั้งหลายที่เขาเกิดเป็นเทวดาเพราะเขาให้ปัจจัยสีเหล่านี้เนี่ยนะเขาจึงเกิดเป็นเทวดาเราก็เป็นผู้ให้ปัจจัยสี่เหมือนกันอันนี้อย่างหนึ่งหรือถ้าเป็นศีลานุสติเนี่ยนะศีลานุสติก็คือการรักษาศีลโดยปรารบสิ่งเหล่านี้ว่าเราไม่เคยล่วงศีลใน วัตถุเหล่านี้เลยศีลของเราไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุศีลของเราเนี่ยเป็นไทยไม่ไม่มีกิเลสจับต้องเลยเจริญอันนี้ก็เป็นศีลานุสติที่ที่เคยรักษามาเนี่ยนะก็ถ้าปารบอาหารเนี่ยใครเจริญอุโบสถมาไม่ยากเลยปารบถึงว่าเอ้ยมื่อเย็นนี้เราก็เว้นมาตั้งเยอะแล้วนะอุโบสถไหมถ้าเป็นที่อยู่ล่ะเตียงตั้งบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้เพราะเรารักษาอุโบสถ หรือปัจจัยสีเหล่านี้เราได้มาโดยสุจริตทั้งหมดเลยอันนั้นก็ปารพอาชีวะปาริสุทิศีลหรือจะปลาลบกะสินก็ได้เพราะในในผ้าเนี่ยมีสีอยู่นะถ้ามีสีอยู่ก็ต่อด้วยวันหน้ากสินผ้าเป็นสีขาวสีเขียวสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองนต่อด้วยกะสินได้ถ้าชำนาญเรื่องกะสินมาเนี่ย ไม่เขจทอืร น, นสสินอย่าอื่นเขาก็เข้าใจว่าจิตเป็นจิตเป็นกุศลสงบจากพิเลน์ามจากกางยังไงเี่สนนไม่คุคือ <c oughs> คนที่เจริญกสินเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะอยู่ๆเขาจะไม่มาเจริญกสินเขาเห็นโทษของกามก่อนคือเห็นโทษของกลามมากวิธีการคิดอันเนี้จิตของเขาจะพ้นจากวัตถุ ก, กามทั่วๆไปเนี่ย น, นะโดยที่มาสายใจว่างนิ่งางามงามเนี่ยนะ สุภาพสุภาคือใส่ใจว่าโดยความเป็นของงามเนี่ยอันนี้เป็นเป็ น, ปนวันนากสินแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องเห็นโทษของกามมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วมุ่งให้จิตเนี่ยสงบจากนิวรณ์โดยมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์เนี่ย น, ะ, น, น ะ, ะโดยการการเจริญกลุ่มวรนนกสินเ น, นี่ยมีหลายประเภทเดี๋ยวตอนหน้าจะเรียนอภิพายตนะว่าวันณกสินของบางคนนี่อาศัยสีภายในบางคนอาศัยวัตถุภายนอกแต่นี้เรา พูดในลักษณะว่าแต่ละอย่างนี้ต่อด้วยสมถะได้อาสุภาพละ่ะได้ไหมก็ลงศพนี่ต่างตรงไหนจากห้องนอนนอะใช่ก็ห้องนอนนั่นแหละที่ศพอืดก็อืดตรงนั้นเลยนะนีนที่อยู่ก็ต่อด้วยอาสุภาพได้ใช่ไหมนึกถึงเช่นที่เขาเล่าว่า คนเขาตายอยู่ในห้องนานๆแล้วมันขึ้นอืดนอนมันชอนชายเป็นต้นก็ต่อด้วยอสุภาในที่อยู่ก็ได้เนี่ยนะหรือไปเห็นอาหารที่มันบูดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็เห็นถึงนึกถึงไอ้อสุภาเหล่านั้นนนั้นก็ต่อได้หมดหรือเห็นยานะบางอย่างเนี่ยใครที่รักษาแผลคนตก่อนตายเนี่ยเป็นแผลเต็มตัวไปหมดแล้วตอนหลังเขาตายนะเป็นซากศพที่เต็มไปด้วยแผลเป็นต้นเห็นยาและนึกถึงอสุภาเหล่านั้นได้เลย เนะนึกถึงศพชนิดนั้นได้เลยเพราะเกี่ยวข้องกับคนคนก่อนตายแบบนั้นมามา ก, กนะก็ต่ อ, อสุภาษได้หมดนะสาคัญว่าอยากต่อหรือเปล่าแค่นะั้นนะนะถ้าอยากต่อนะบอกวิธีไม่ยากนะน่าจะเจริญได้มากน่าจะใช่ไห ม, ททไมใช่ใชก็เหมือนกับว่าบวชแล้วน่าจะเจริญกรรมาฐานได้มากอ่ะเพื่อนะนะมันนะ่าจะนะนั้นะนะ เสร็จแล้วอย่างอื่นเอกถ้าเป็นพรหมิหารก็เมตตานี่นะเจริญเมตตาโดยการคิดน้อมนำประโยชน์สิ่งเหล่านี้ให้เข้าไปเช่นว่าทำไงหนอเขาควรได้ผ้าที่ดีใช้มีอาหารที่อร่อยใช้มีที่อยู่ดีใช้ มียาใช่หรือเจริญแบบผู้การเมื่อไรเขาจะได้มีที่นอนสบายๆแบบนี้นะขอให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับที่นอนแบบนี้ในมีอาหารอร่อยๆใช้มียานภาชนะที่ดีใช้เนี่ยคิดน้อมไปประโยชน์ไปนี้ไปหาสัตร์ทั้งหลายอันนั้นก็เป็นเมตตาคนอื่นที่เขามีทุกขเพาสิ่งเหล่านี้มีไหมเพราะทุกเช่นทุกขเพราะเสือ้อผ้าทุกขเพราะอาหารทุกเพราะที่อยู่ น, น, นเช่น ขอให้เขาเนี่ยจ่ายงวดบ้านเสร็จสักทีหนึ่งจ่ายงวดรถเสร็จสักทีเนี่ยให้พ้นทุกอันนี้เธอเนี่ยนะก็น้อมจิตไปแบบนี้ก็เป็นกรุณาไปเนี่ยนะเขาก็เดือดร้อนเาก็เจริญกรุณาไปเดือดร้อนเรื่องเนี้ยเพราะผ้าก็ผ่อนได้ใช่ื้อื้อผ้าก็ซื้อแบบผ่อนอาหารก็จ่ายแบบผ่อนนี่มันการจ่ายเป็นรายเดือนที่อยู่ก็จ่ายเป็นรายเดือน ยาบางอย่างก็จ่ายเป็นงวดติกเนี่ยนะก็ผ่อนหมดมันข็ให้พ้นจากทุกจากปัญหาเหล่านี้นะเนี่ยนะเช่นเครื่องพักผ่อนนะแล้วคือขอให้เขาพ้นภัยจากสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นกรุณาแล้วก็ถ้าเจริญมุติตาผู้ใดที่มีวัตถุเหล่านี้นะยินดีกับเขาเออดีนะหน้าหนาวเขามีผ้าอุ่นหิวเขาก็ามีอาหารใช้ อันนั้นง่วงนอนก็มีที่หลับที่อยู่ป่วยไขย้ก็มีบุญาเนี่ยนะก็มุทิตาแกับเขายินดีกับเขาอันนั้นก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะส่วนอุเบกขาก็ก็เมื่อเจริญเมตตาก่อนนะค่อยเจริญอุเบกขาถ้าขึ้นพวดแลวอุเบกขาแล้วก็จะโมหะเพราะเพราะอุเบกขาแบบไทยๆบางทีแปลว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่อุเบกขาอันนั้นนะนะ นนก็อิจฉาก็ทำให้เราเป็นคนเสื่อมลาบในนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีลาบไม่มียศไม่มีบริวารนะพวกที่ริสยาคนอื่นนะเพราะปกติริสยามันไม่เก็บไว้แต่ในใจอย่างเดียวหรอกมันจะเริ่มตัดไอความเจริญของคนอื่นด้วยเพราะนั่นก็ตัดคนอื่นจริงๆก็คือตัดตัวเองนั่นแหละว่าให้ตรงหทีนี้ท่าในแง่ท่าสีล่ะ พวกนี้ก็คือปัตวีธาตุที่อยู่ภายนอกอ น, นะปัตวีธาตุภายนอกปัตวีธาตุภายในายอาโปธาตุภายนอกอาโปธาตุภายในเนี่ยนะก็พวกนี้ก็ตรารบโดยความเป็นธาตุเพเป็นปัตวีธาตุหรือเป็นมหาภูต ร, รูปภายนอกอ น, นะแล้วก็มหาภูต ร, รูปภายในยก็จะต่อด้วยธาตุสี่บทของพระสวดก็บอกว่ายะถาปัจยังตวะตมานางังทาตมตตเมเวตังบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยศักยธาตุคือปัจจัยสีเนี่ยนะ คือธาตุบุคคลที่มหมสิ่งเหล่านี้ก็คือธาตุเพราะฉะนั้นธาตุหอมธาตุไอธาตุหอมธาตุเนี่ยปกติธาตุอันนอกนะมันไม่ปฏิกูลแต่มหมธาตุอันในเข้าทำไมมันปฏิกูลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละที่เรียกวิจารณาโดยความเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นพิจารณาแบบจตุธาตุใช่ไหมถ้าแบบอาหารเรปฏิกูลสัญญานะอาหารเหล่านี้ไม่ปฏิกูลมาแต่เดิมพอ ตั้งกับมือล้วงเข้าไปถ้าพูดอาหารโบราณนะั้นถ้ามือเหาะลงไปจับปั๊บนี่ก็เริ่มละอาหารแบบคนโบราณเขาใช้มือขยํานะไปอินเดียนี่ยังเห็นเลยเขานั่งบิดนั่งจิ้มอยู่นั่นนะโดยใช้มือบิดนะวันที่วันวันที่ไปจอดรถข้างตรงคุณมะาวอาจจะนึกออกกันะแถวๆนั้นนะ่ยจางเกตุดาไม่อยู่นะก็นั่งดูพาก็ฉันไปแขกก็นั่งบิดไปจิ้มไปนี่ยนะนะ ใช้ห้านิ้วเลยนะแล้วก็เลียบ้างเป็นครั้งคราวใช่ไหมก็ใช้สักสองสานิ้วอีสานเนี่ยใช้2นิ้วถึงสานิ้วนะเพราะอินเดียนี่ไปใช้ห้านิ้วเลย <c ười> แล้วก็เลียบ้างสักแผลบหนึ่งนะงคนไทยเห็นแล้วปฏิกูลเลยนะ <c ười> ยื่นมาให้เราจ้ะแต่ไม่แน่นะถ้าหิวมากๆาก็เอาง <c ười> นันอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็เจริญได้ นี่นะคือตัวเท่าตรงๆเลยอ่ะคือเรื่องของอาหารก็ก็เรื่องก็บอกอี่แล้วว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะแต่ก็เริ่มตั้งแต่ไปสแสวงหาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พอให้เป็นในนะเพราะเดี๋ยวไงั้นก็กลายเป็นว่ามาเรียนเรื่องนี้ซะอีกอนะก็ไม่เข้าวิชาที่ว่าสักทีเกิกสรุปว่าในหนึ่งอารมณ์เนี่ยน้อมให้เป็นภาวนาก็ได้โดยที่เป็นสมถภาวนา ถ้าน้อมให้เป็นวิปัสนาภาวนาก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะไอ้ไม่ใช่ตอนรอบสองรอบนี้พักก่อนเอาต่อเลยนะ ถ้าเข้าใจว่าเจตนาที่ไปปารพอารมณ์ทั้งหกเนี่ยนะเป็นไปกับทานศีลศีลก็อยู่ที่นับว่าระลึกถึงสิกขาบทของตัวเองได้เท่าไรแล้วก็วัตถุไหนที่ทำให้ผิดศีลได้มากเนี่ยนะแต่ถ้ามองในแง่กรรมบทนะให้ระลึกถึงกรรมบทที่เป็นอกุศลกรรมบท10ถ้าผิดอกุศลกรรมบด10ได้ก็นั่นแหละเรียกว่าผิดศีลนั่นแหะ ถ้าล่วงสามารถรักษากุศลกรรมบทได้ในอารมณ์ทั้งหลายก็เรียกว่ารักษาศีลเนี่ยนะตัวที่สำคัญที่สุดนะวจีที่พูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสทำพุทธะธรรมรมณ์พูดอะไรที่มันพ้นจากหกอย่างนี่มีไห ม, ไมคำพูดไม่มี <c oughs> ส่วนตัวภาวนาเนี่ยนะ โดยโดยนะยะของภาวนาที่เป็นวิปัสนาอารมณ์ในโลกปกติแล้วมีแค่6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาะและธรรมรมถ้ามองในแง่วิปัสนาต้องระลึกถึงว่ารูปมีสมุทฐานสี่เสียงมีสมุทฐานสองกลิ่นรสโพธาะมีสมุทฐาน4ส่วนธรรมะเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่มีทั 1, 2, 3, 4, ้งหนึ่งถึง4หมดเลย เ, เมื่อเข้าใจอารมณ์6อย่างนี้แล้วก็มาสงเคราะห์ตามวัตถุแห่งวิปัสนาตัวที่จะรับรู้อารมณ์6ได้ต้องอาศัยอะไรอารมณ์6เหล่านี้ที่จะไปรู้อารมณ์ได้าอาศัยอะไรสายวัตถุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทวาร 1., น, นวัตถุหรือทวานเนี่ยนะหรือจะเรียกว่าอายตนะภายในก็ได้2องอายตนะภายนอก จริงๆตัวทวารก็คือตัวนี้มาขยายเพิ่มเท่านั้นเองตัวธรรมรมเนี่ยนะมาขยายเป็นตัวทวารเพราะถ้ามองในแง่นหนึ่งอายตนะภายในเนี่ยนะทั้งหกนี้เป็นธรรมรมเนะรียกว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้ทวารใจอากาศนี่รู้ได้ทวารไหน<จ>อากาศนะช่องว่างๆนี่รู้ได้ทางทวารไหนคุณทพา ทวารใจไม่ใช่ตาเห็นเนี่ยช่องว่างนี่หรือไม่ใช่ตาเห็นนะตาตาที่เห็นจริงๆคือสีใช่ไหมแต่ว่าไอ้มโนทวารเขาบอกว่าเช่นมีต้นไม้อยู่สองต้นใช่ไหมแล้วมันจะมีช่องว่างตรงเนี้ยอยู่ที่เรียกว่าอากาศเหมือนมองเห็นอากาศ ก็บอกว่าอากาศจริงๆแล้วไม่ได้รู้ด้วยใจหรอกเอ๊ะรู้ด้วยตาหรอกรู้ด้วยทวารใจไอ้ที่เห็นจริงๆเห็นสีเหมือนกับมองแล้วทําไมรู้หญิงรู้ชายทันทีเลยล่ะพวกนี้ก็รู้ทวารใจทั้งนั้นแหละนั่นนเพราะฉะนั้นแล้วเห็นแล้วทําไมเราจรึงรู้ว่าตรงนี้เรียกว่าตาล่ะพูดถึงสีสี จากทวารตาพอเห็นปั๊บอ้าวทำไมแล้วหลังจากนั้นรู้ว่าหญิงอ่ะชายทันทีเลยฟังเสียงก็รู้แล้วใช่ไหมจางเกสอนพูดกับคุณชุ่มพูดเนี่ยโอ้โหก็ต้องไม่ใช่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยนี่ยเนี่ยนึกไหมร้องร้องเพลงคู่เลยยังไงฟังแล้วให้มันคิดตามยากมากเนี่ยนีทีนี้พออันะันหนึ่ง วัตถุสองอารมณ์เมื่อวัตถุกับอารมณ์เกิดอะไรจะเกิด 3. ก็วิญญาณ 3. อย่างประชุมกัน 4, ี่เรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีอะไรอีกสัญญาเจตนาเนี่ยเเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสัญญาและเจตนาปกติแล้วที่ตามมาก็คือ ปัญหานไ90ก็วิตกวิจารเห็นไหมก็จะเป็น10นนะที่เรียกว่าปียรูปสาตรูปก็ธรรมะ60ทั้งทั้ง60เหล่านี้ถ้ามาเรียกรวมกันก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าขันบ้างอายตนะบ้างธาตุบ้างถ้ามาไล่ตามนั้นเนี่ยนะวัตถุเป็นตัววัตถุเป็นอินทรีย์ ตัวธรรมรมก็เป็นบางอย่างนะเป็นอินทรีย์เนี่ยนะก็ขันอายตนะธาติอินทรีย์ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยเหตุและผลเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท